เราก็ขอมร น, นาคพวกเราทั้งหลายนั่นจังใจในการศึกษาก็ทำอยูตอนนี้ก็สารธรรมสอนของพระครูมีพระภาษกาในการศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนี้เราศึกษาในเรื่องของสติปัฏฐานอยู่ซึ่งก็ถือว่าเป็นหลักปฏิบัติค่อนข้างที่ต้องใช้คําว่าเป็นข้อปฏิบัติเพื่อจะเป็นปัจจัยในการพ้นจากวัฏจัก เอ้่อหูดไปพูดมาก็หลายๆท่านก็บอกเหมือนรู้สึกไม่ง่ายเลยใช่ไหหลายคนก็บอกโอ้การเจริญสติปัฏฐานเป็นเรื่องที่ถามว่าเป็นเป็นความจาเป็นไหมก็ต้องบอกเป็นความจำเป็นทีนี้ในความจาเป็นที่เราท่านทั้งหลายจะต้องมาศึกษาทาความเข้าใจนั้นก็ทีนี้วันนี้นะที่จริงก็คือเตรียม ก็บอกทางโยมให้ถ่ายเอกสารทางด้านของจิตานุปัสสนาผลปรากฏก็ถ่ายไม่ทันถายไม่ทันก็เลยมานั่งคิดว่าถ้าจะขึ้นในกิานุปัสสนาก็จะก็จะหนักไปที่ไหนในขณะที่พูดเพื่อในขณะที่ที่ที่กล่าวไปเนี่ยนะก็จะกลายเป็นว่าเราไม่ค่อย มีเอกสารอยู่ในมืองั้นในชั้นตอนนี้เรามาศึกษาในเรื่องของปุศตะศีลขั้นก่อนดีไหมดีไหมมาศึกษาเรื่องศีลเป็นขั้นไปก่อนดีไหมเพราะอะไรที่จริงในด้านของอธิศีละศิกขาเนี่ยเหมือนเราถอยลงมานิดที่จริงถอยลงมานิดเนี่ยไม่ใช่ว่ามากอะไรนะเพราะอะไร เพราะว่าในการศึกษาคำสอนของพระเจ้าเนี่ยนะในขณะที่เราศึกษาคำสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยถ้าถามว่าเรื่องศีลเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ยากหรือเป็นเรื่องที่ง่ายศีลก็ยากอีกเลยถ้าเรื่องไปเที่ยวยากอีกอันก็เป็นเรื่องที่เราก็จะต้องทำความเข้าใจที่จริงวันนี้เอกสารต่างๆที่เตรียมมากอนข้างเยอะเมื่อคืนก็ดู สรุปในทางด้านของจิตการต้องปรัชนาค่อนข้างเยอะเชื่อมหลอดฐานเอกสารมาค่อนข้างเยอะแต่ของยอมไม่มีเอกสารใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรถ้าโยอมปรัชนาจะคุยเรื่องศีลนะก็เชื่อมเรื่องกุศลศีลนะทีนี้ถ้าคุยในเรื่องของศีลก็ไปต้องไปทาําความเข้าใจว่าเออ ถามว่าเป็นการลดระดับในการศึกษาในการฟังมาหรือไม่ไม่ใช่ลดเลยที่ไม่ใช่ลดก็เพราะว่าศีลสมาธิปัญญาใช่ไหเป็นชื่อของสิกขาสามที่เราท่านทั้งหลายจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็จะต้องเดินให้ได้นั่งกันนะที่นีน้ที่ไม่เคยรับศีลไม่มีไม่มีด้วยแต่อยาก อยากจะถามอย่างๆว่าในชีวิตจริงเนี่ยกุศลศีลมันเกิดยังไงใช่ไหมถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้มีคนอธิบายให้อามาฟังด้วยซ้ำเลยว่าเออในชีวิตจริงๆเนี่ยที่ว่ารักษาศีลกันเนี่ยเจริญศีลแล้วอบรมศีลเนี่ยคือไปรักษาศีลอย่างไงเจริญศีลอย่างไงแล้วอบรมกุศลศีลอย่างไงใช่ไหม ก็ยังไม่รู้เลยว่าจริงๆเนี่ยเมื่อเราจะรักษาสีจเจริญสีอบรมสีเนี่ยแต่ถ้าเราไม่รู้อยากสีเนี่ยเราจะทำยังไงอันนี้ระดับอย่างเราศึกษาอภิธรรมมากั็นไงเยอะนะเนี่ยนั่งๆลหลายคนจบบัณฑิตเลยเราพูดเรื่องสีเนี่ยมาฟังสีนี่เป็นสภาวะพลัรมรติหรือเป็นบัญญัติ สีนี่เป็นสภาวะประมามะหรือสภาวะบัญญัติเป็นบัญญัติหรือเป็นปรมามะสีนี่เป็นเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นนามเลยอ๋อสีเป็นนามเนาะตรงนี้นะสรุปแล้วจะมานั่งมองหน้าเนี่ยน่าจะจริงๆอย่างียวว่าน่าจะยังไม่สอบผ่านนะครับไปเรื่องงั้นก็ลองคุยเรื่องไม่ใช่ลองแนละ้วคุยจริงจรงนนะยคุยในรื่ไหนว่าต้องการอยากให้วันนี้ ช่วงเวลาที่เราจะศึกษาเรื่องกุศลศีเนี่ยนะใช้เวลาอาจจะประมาณสักสามสี่ชั่วโมงเลยก็แล้วคิดว่าถ้าใครตั้งใจดีจริงก็น่าจะเป็นรูปเป็นร่างออกมาดีคิดอย่างนั้นนะแล้วก็หวังอย่างนั้นทีนี้ถ้าหากว่าฟังไปแล้วถ้ากันไม่เข้าใจเนี่ยถือว่าช่วยกันยากแล้วใช่ไหมที่จริงเนี่ยตอนในช่วงนี้ทําไมถึงพูดเรื่องนี้รู้ไหมเนี่ยที่บันทึกมาเนี่ยอยู่ที่วัดเนี่ยนะ คุยเฉพาะเรื่องศีลไปอย่างเดียวเนี่ยนะสี่ครั้งแล้วสี่ครั้งแล้วที่แรกนึกว่าจะหลายๆคนก็จะวิ่งไปยอดสุดแล้วใช่ไหมพอกลับมาคุยกันเรื่องศีลผลปรากฏว่ามันหายหมดแล้วเนี่ ย, ยฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ที่จะต้องทำความเข้าใจว่าในพระศาสนาเนี่ยถ้าพูดถึงในด้านของบา ร, รมีธรรมเนี่ยนะ ในบารมีธรรมเหล่านั้นมีบารมีอยู่ข้อหนึ่งที่พระบรมศาสดาทรงบําเพ็บารมีก็คือว่าศีลบารมีใช่ไหมก็ศีลบารมีเป็นบารมีธรรมที่พระบรมศาสดาหรือพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านทรงบําเพ็มาแล้วกรณีที่ศีลบารมีเนี่ยที่พระบรมศาสดาทรงบําเพ็มานั้นเน่ยก็จะเห็นชัดว่ารากของศีลรากของกุศลศีลนั้นมีเยอะโดยเฉพาะก็ต้องพูดถึงความไม่โลภความไม่โกรธ แล้วก็ปัญญาใช่ไหมตรงนี้เป็นตัวสีเลยั้ำไปเดี๋ยวเราจะไปศึกษากันในเรื่องของการศึกษาในมุมของเจตสิกสีเป็นต้นในคำภีร์วิสุทธิมัติเวลาจะพูดเรื่องสีนเนี่ยต้องเอาคำพี์วิสติมัติมากล่าวมันถึงจะชัดเพราะท่านจะไปสรุปลงในในสีแลนิเทศท่านยกประเด็นก็ไว้นะที่จริงท่านตั้งประเด็นไว้หกข้อในพูดเรื่องสีเมื่อถ้าหากสรุปไม่ได้เนี่ย เกิดอาทิตย์ต่อไปจะเป็นปัญหาอะไรนะเนี่ยพอพูดเรื่องอะไรแล้วมันไม่จบเนี่ยมันจะเป็นประเด็นจิงจากการที่นั่งพูดเนยหนึ่งอะไรคือศีล น, นี่ท่นานถามทั้งตัวองค์ธรรมของศีลถามตัวสภาวะของศีลประเด็นจริงๆถ้าเราจะรักษาศีลเนี่ยมันจะต้องไปถามวันหนึ่งเนี่ยอะไรคือศีลเนี่ยคําว่าอะไรคือศีลในที่นี้ท่านถามทั้งตัวสภาวะ ถามถึงตัวสภาวะถามถึงตัวองค์ธรรมถ้าถามถึงตัวสภาวะและตัวองค์ธรรมเนี่ยมันก็ต้องถามต่อไปว่าสภาวะและองค์ธรรมนั้นคืออะไรก็คือถามถึงตัวศีลเลยตัวศีลที่กล่าวถึงในลักษณะว่าเป็นนามธรรมที่เรากล่าวกันว่าเจตนาเป็นต้นทีท่เ well ร Likewise, ียกว่าศีลนั่นก็ถามถึงตัวองค์ธรรมถามถึงตัวสภาวะนะถ้าเราบอกว่าเราจะไปรักษาศีลก็เหมือนบอกว่า ไปโยนจะไปทำอะไรบอกว่าจะไปปลูกข้าวเพราะบอกจะไปปลูขออกปปข้าวเนี่ยต้องรู้จักเมล็ดข้าวต้องรู้จักพัน์ข้าวยังไงแล้วก็ต้องรู้จักในการที่เอาข้าวนั้นไปเคาะไปปลูกแล้วก็ไปหว่านไปใส่ปุ๋ยเป็นต้ น, นเหล่านี้ยแปลว่ามันต้องรู้จักตัวมันยังไงเออมันต้องเป็นอย่างนั้นประการต่อมาชื่อว่าสีเพราะอัถว่าอะไรเป็นไปก็หมายความว่ า, วาตรงนี้เขาถามถึงอัฏฐะอัฏฐะถามถึงความหมายของสีเลย ถามถึงเนื us ้อความของสีเลยเข้าใจยังนะประเด็นที่สองเนี่ยก็ถามถึงเนื้อความของสีเลยว่าอัดของสีเนี่ยอะไรลักษณะของสีเป็นต้นเป็นอย่างไรประการที่สามก็คืออะไรเป็นวิเสสลักษณะคืออะไรเป็นลักษณะคาว่าวิเศษลักษณะเนี่ยก็คือว่าอะไรเป็นลักษณะของสีอะไรเป็นจิตของสีจิดในที่นั้นคือการงานสิ่งที่มันทางานนะ อะไรเป็นอาการปรากฏคือผลของศีลอะไรเป็นเหตุใกล้ของศีลเนี่ยมันต้องรู้ให้ชัดลงไปขนาดนั้นนะถ้ารู้ไม่ชัดศีลเดินไม่ได้ท่านถึงใช้คำว่าจริงๆถ้ามาใช้ศัพท์เนี่ยอะไรเป็นวิเศษลักษณะก็เป็ว่าอะไรเป็นลักษณะของศีลคำว่าวิเศษะลักษณะเนี่ยคือลักษณะเฉพาะตัวเนี่ย คือลักษณะเฉพาะตัวซึ่งต่างกันกับสามัญลักษณะเข้าใจคำว่าวิเศษลักษณะไหมเข้าใจคำว่าปัจจัยตลักษณะไหมอยูเข้าใจลักษณะเฉพาะตัวไหมลักษณะเฉพาะตัวลักษณะเฉพาะตัวก็คือว่าเอาสมมติว่ายมติปานเจ้าหลวงมีลักษณะเฉพาะตัวยังไงไม่จะมีลักษณะใช่ไหมเช่นหนึ่งลักษณะยังไงใช่ไหม จิตของโยมสุภันโหงวันวันห น, นึ่งทำกิตอะไรแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นจากการจะทํานั้น่เป็นยังไงแล้วอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้โยมสุภันโหงทํางานอย่างนี้นะนี่คือลักษณะเฉพาะตัวของโยมสุภสันโหงศีลก็ต้องมีลักษณะเฉพาะตัวของเขาคือลักษณะหน้าตาเขาเป็นยังไงใช่ไหมแล้วก็จิตกิตคือกรณีที่ศีลเกิดขึ้นมาเขาทำจิตเขาทำการงานก็ทําทหน้าที่อะไร หรือผลที่เมื่อสีนั้นทําหน้าที่เสร็จแล้วผลหรืออาการปรากฏของสีนั้มันเป็นอย่างไรเข้าใจไหมแล้วเหตุการณ์ที่ทํารับให้คุณุรสีนั้นเดินจะทําให้คุณุรสีนั้นเกิดนั้นเป็นอย่างไรมันต้องชัดอย่างนี้ถ้าไม่รู้อย่างงี้นะลําบากใช่ไหมอาจารย์เป็นไหมถ้าสมมติว่ายอมมงคลจะถามบอกว่าเออช่วยไปพบคนคนหนึ่งหน่อยเขาชื่อว่าในดํานะถ้าบอกในดําอย่างเดียวนี่จะรู้ไหมถ้าไม่บอกลักษณะ ไม่รู้ใช่ไหมเราไม่เคยเห็นเนี่ยลักษณะอ้วนขาวเตี้ยอะไรก็ว่าไปใช่ไหมหรือว่าสูงใช่ไหมใช่แล้วบอกแค่นั้นบางทีมันก็ยังไม่ชัดใช่ไหมเออแล้วเข า, ข า, าเขาทำงานอะไรอ่ะใช่ไหมเขาทำงานอะไรเออแล้วการงานเขาเขาเป็นยังไงอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเขต้องทงาอํางา น, นถึงนั้นเนี้ยมันต้องรู้อย่างนี้ใช่ไหมถ้ารู้อย่างนี้แปลว่าเราหาใจ เ, เอไอตอนเนี้ยสังคมไทยเนี่ยย้อนดูบ้างนะผม หาศีไม่เจอไปนั่งรับศีลกันนี่แหละจะหาไม่เจอหนึ่งไม่รู้จักศีลสองไม่รู้จักไม่รู้จักลักษณะของศีลไม่รู้จักกิจของศีลแล้วก็ไม่รู้จักอาการปรากฏว่าศีลมันเกิดขึ้นมาแล้วมันทําอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้เหตุไก่ของศีลนี่คืออะไรถามท่าไม่รู้อย่างนี้จะไปรักษาศีลอย่างไงอ่ะนี่คือปัญหาจุดบอดของสังคมไทยสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ไม่ค่อยมีข้อมูล ไม่ค่อยมีความรู้ถ้าไปบอกว่าเขาไม่มีความรู้เนี่ยเขาโกรธเนี่ยแต่จริงๆเขาไม่มีความรู้เรื่องสีถ้าไม่มีความรู้เรื่องสีเนี่ยเขาจะคิดเรื่องสีได้ไงได้ไหมก็คิดอยู่บนฐานที่มีสีหรือไม่มีไม่มีแล้วการกระทาของเขาจะมีสีหรือไม่มีคำพูดของเขาจะมีสีหรือไม่มีเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้มันเป็นสังคมที่ขาดความรู้มันก็เลยคิดอยู่บนฐานที่ไม่มีความรู้ มือนกรณีที่เราจะไปเถียงกันเนี่ยเถียงว่าเรื่องใครผิดใครถูกเนี่ยไปเถียงอยู่บนฐานที่มันรู้ไม่จริงเนี่ยมันผิดหัวแหละเพราะตรงเนี้ยทั้งคมมันขาดชาวพุทธตอนเนี้ยขาดขาดเรื่องทานขาดเรื่องศีลคือขาดความรู้เรื่องทามที่ถูกต้องขาดความรู้เรื่องศีลที่ถูกต้องขาดความรู้เรื่องภาวนาที่ตอบถูกต้องทั้งสมถภาวนาก็ก็ไม่รู้จริงทั้งวิปัสนาภาวนาก็ไม่รู้จริง เข้าใจใไหมตอนนี้สังคมเรามันขาดแล้วมันขาดจุดไหนเราก็ไม่เคยพยายามเติมสิ่งที่มันขาดพอไปเติมก็เลยเติมแบบก็พองก็แฝงผีก็เลยเป็นประเด็นเลยประเภทที่เรียนจบแล้วทํางานไม่ได้ชีเขาใจไม่เรียนจบทํางานไม่ได้อาจบมหาเอกแลเดิกนกรรมฐานไม่ได้นี่เขาเรียกทเรียนจบแล้วทํางานไม่ได้ใช่ไหมจบอวิชาแล้วอย่างเงี้ย จบภาวินัยแล้วเนี่ยจบพระสูตรแล้วเนี่ยจะทํางานไม่ได้คําว่าทํางานไม่ได้ในที่นั้นก็คือเดินเข้าหาสิกขาสามไม่ได้แล้วก็เจริญตามสิกขาสามไม่ได้อันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะย่อปัญหานั้นมาให้เล็กในกระแสขันของเราส่วนปัญหาของสังคมภายนอกเก็บไวก้ก่อนมันเป็นงานหนักไว้ใช่ไหมตอนนี้ก็คืออะไรแต่ละบุคคลที่นั่งอยู่เนี่ยก็เก็บเกี่ยวความเข้าใจให้ชัด แล้วเดินให้ได้ใช่ไหมดีไหมโยมกว น, กนอันนี้ตกลงอย่างนี้นะมันจะได้ฟังเบสเสร็จแล้วจะได้ไม่คิดถึงคนอื่นใช่ไหมถ้างั้นพอรู้ปุ๊บมันก็คิดถึงพี่ถึงน้องถึงพ่อถึงแม่ก็อยากให้เขารู้อีกก็เลยเลยตัวเองไหมการน้อมที่การขัดเกลาตัวเองก็เลยหมดไปความตั้งใจก็น้อยใช่ไหมแอ่แนี่ก็ได้หลักแล้วเดี๋ยนี้เพราะได้หลักตรงนี้ก็คือว่าแต่ละท่านก็ฟังกัน ทีนี้กรณีแต่ละบุคคลนี่ปริมาณของการเข้าใจต่างกันแล้วทุกคนก็กระตุ้นเตือนวิธีวิธีฟังตัวเองก็แล้วเนยใช่หมต่อไปเดี๋ยก็จะเดินไปตามลาดับเนี่ยนะแต่ละบุคคลต้องช่วยตัวเองแล้วใช่ไหมเพราะบางทีไปอาศัยคนอื่นคอยกระตุ้นยังไม่ได้เลยอย่าสมมติว่าเป็นพ่อกับแม่เป็นลูกกับพ่ออะไรต่างกันแล้วแต่พามาฟังทำได้แต่พาเข้าถึงความเข้าใจได้ไหม ไม่ไดแต่และคนต้องช่วยตัวเองแล้วนะมีทุกคนมาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมถ้าเราจะมาตั้งหลักโดวยนี้ว่าฟังแบบเพินมเติมเดี๋ยวเราจะไม่ได้เสียละเอาใช่ไหมเมื่อกี้ดีไหมตั้งหลักอย่างนี้ดีเนาะเอาแต่นี้ก็คือว่าถึงอะไรเป็นลักอะไรเป็นวิเศษลักษณะคืออะไรเป็นลักษณะเฉพาะตัวเขาเรียกว่าปัจจัตลักษณะกับอัศคือศีลเนี่ยเป็นสามัญลักษณะได้ด้วยไหม ยังไงตัวศีลคือตัวเจตนาคือตัวเจตสิกคือตัวสังวรและตัวความไม่กล้าร่วมก็คือเป็นกลุ่มนามาธรรมสรุปก็คือเป็นกลุ่มของนามาธรรมอ่ะเวทนาสัญญาสังขารมีงานเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจฉะนั้นในด้านของจิตใจในด้านของธรรมที่เกิดร่วมกันกับจิตใจทั้งจิตและเจตสิก ท, ที่เป็นศีลเนี่ยนะนี่เราก็เริ่มมาดูแล้ว ว่าในกลุ่มของสภาวธรรมเหล่านี้ตอนนี้เราต้องการดูลักษณะของศีลดูกิจของศีลดูาการปรากฏของศีลและดูเหตุใกล้ของศีลแต่ต่อไปจะไปทาความเข้าใจตรงนั้น mm hmm. เขาเรียกว่าวิเศษลักษณะและว้วก็กิจรสสัมปติรสอุปทานะอุปทานะการหนืออาการที่ปรากฏผลปรากฏนั่นนะแล้วก็ประทัดฐานเขาเรียกว่าอาสันนการะนะอาสันนาการะนะก็แปลว่าเหตุใกล้ เหตุกล้ของศีลอันนี้ท่านท่านั้งรู้ว่าศีลนั้นมีทั้งสามมัญลักษณะและก็ปัจจตลักษณะแต่ในที่นี้เราจะมาศึกษาในเรื่องของลักษณะเฉพาะตัวประการที่สี่อะไรเป็นอา น, นิสงค์ของศีลเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติในศีลนนการจะศึกษาเรื่องศีลอยสปนหงจะเป็นต้องรู้อา น, นิสงค์เพื่ออะไรต้องรู้อา น, นิสงค์ ถ้าไม่รู้อา น, นิสงส์ถ้าไม่เห็นอา น, นิสงส์ถ้าไม่เข้าใจอา น, นิสงส์เราอยากจะปฏิบัติในสีไมยไม่อยากจะเริยนสีไม่อยากอบรมสีเนาะสรุปแล้วก็คืออา น, นิสงส์ต้องทราบอันนั้นก็มีขั้นตอนต่อว่าท่านตอนตอนที่ห้าอะไรเป็นสังกิเลตคือเหตุความเศ้าหมองของสีความเศร้าหมองของสีเนี่ยถ้าถามว่ากิเลสสังกิเลต เพรกิเลสที่เป็นตัวคอยบั่นทอนเป็นครัวคอยทำให้ตัวศีล น, นั้นอ่ะเดิมได้ไม่สะดวกเห็นไหมต่อไปเราจะไปศึกษาเรื่องตัวโลภะตัวโทสะตัวโมหะความเกลียดค้านเนี่ยความไม่ควรต่อการ ง, งานกลุ่มอกุศลทั้งหลายว่าอากุศลธรรมต่างๆเหล่านี้คอยตัดรากของศีลยังไงมาคอยทำให้ศีลไม่เจริญงอกงามอย่างไรเนี่ยที่นั่งๆกันอยู่เนี่ย โดนไอสังเกตเนี่ยคอยตัดตราของศีลมาตั้อย่างยาวไปแล้วในสังสารวัตรและในปัจจุบันนะพ่อเนี่ยเหมือนเคยบอกบ่อยๆว่าท้านั่งอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดการเมชาธเกิดพยาบาทขึ้นมาเกิดถินามิธาเกิดอุทะจักกุกุจักเกิดวิจิปิชาขึ้นมาแปลว่าตอนนั้นศีลเดินหรือไม่เดินหน้าศีลไม่เดินแล้วอันนี้ก็ต้องรู้ตัวว่าถ้าเราจะมาศึกษาคําสอนเนี่ยถ้ายอมเนี่ย นั่งฟังแบบอกุศลเนี่ยตอนนั้นโยไม่มีถามที่จะฟังพระธรรมเลยให้รู้ตัวเลยว่าตุดแล้วเพราะศีลไม่เกิดไม่เหมาะไม่เหมาะสมแก่การที่จะทําใจให้เป็นภพภาชนะรองรับพระธรรมเทศนาซึ่งเป็นภาวนาอกุศลไี่เกิดได้เลยมองเห็นยังว่าจริงๆในขณะเราฟังพระธรรมไปนี่แหละก็ ป, ะปล่อยให้บาปอกุศลได้ทํามันลามกมันคอยปักรอนอยู่ตลอดเวลาถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่า ภาชนะที่จิตใจของเราท่านทั้งหลายนั้นน่ะเป็นภาชนะที่ไม่ดีแล้วใช่ไหมอันนั้นก็เรื่องสังเกตพึงรู้ประโยชน์ต่อโวทานคือเหตุของแผ่วของศีลเหล่านั้นด้วยว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความผองแผ่วและความบริสุทธิ์ของศีลทั้ง6กประการเหล่านี้เป็นปัญหาของศีลปัญหาในที่นั้นคือตั้ ง, งปัญหาเป็นคำถามแต่คำถามลักษณะนี้ท่านจะตั้งในฐานะเป็น เกษตรศุกรเมยะตาปุชฉาถามเพื่อต้องการจะตอบเองถ้าถามบอกว่าอะไรคือสีเนี่ยตาถามพวกเราก็จบเลยจบไหมทั้งท่านถึงบอกว่าเวลาการแสดงคํำสอนเนี่ยท่านตั้งเองต่อเองเหมือนพระพุทธเจ้านี่ท่านเรียนแบบพระพุทธเจ้าเนาะเวลาท่านพระพุทธโกษาจารย์เนี่ยท่านต้งนี่ต่อไปก็คือทับบาลีท่านใช้คำว่ากินสีหลังแปลว่าอะไรกิงเนี่ยคืออะไรใช่ไหมกินสีหลังก็คือ ก็คืออะไรคือศีลอะไรคือศีลอันนี้ถามถึงองค์ธรรมของศีลทีนี้ก็จับประเด็นองค์ธรรมของศีลให้ชัดก่อนคําตอบก็คือว่าเจตนาเป็นต้นชื่อว่าศีลคือเจตนาเป็นศีลเจตสิกหกตัวเป็นศีลแล้วก็สังวรสังวรก็เป็นศีลสังวรห้านี่นะอวิติกามะคือการไม่ก้าร่วงก็เป็นศีล นี่จะประเด็นให้ได้ห้าประการนี้ก่อนนะนิจเจตนาก็จะแก่ว่าทำทั้งหลายมีเจตนาเป็นต้นของบุคคลผู้มีวิรัติอยู่ด้วยนั่นการสมาทานคือการงดเว้นได้แล้วก็ด้วยการสมาทานศีเนเอาไว้และสมปฏิวิริจะการงดเว้นได้โดยการมีองค์ธรรมที่บุญจะเว้นที่มีสัตว์เป็นต้นออกมาปรากฏเฉพาะหน้าเป็นต้นเหล่านี้นะนั้นพอถึงในด้านของเจตสิกสีตรงนี้ก็คือว่าท่านบอกว่าเจตนาเป็นศีน วิรัตก็เป็นศีลวิรัตนั้นมีสองส่วนสมาทานวิรัตกับสัมปตาวิรัตสัมปตาวิรัตสมาทานวิรัตก็คือเป็นเกี่ยวในเรื่องของการสมาทานในกรณีที่มีความปรารถนาที่จะงดเว้นยังไงจากบาป ท, ทั้งหลายทางกายทางวาจาและทั้งใจมเมื่อชาสมาทานสิ่งนี้มาไม่ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมความเข้มข้นของพวกเรายังไม่ค่อยแข็งแรงในด้านศีล เชื่อว่าเรายังไม่เข้าใจว่าวันใดนวันหนึ่งเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในกุศลศีลนะจะไม่ต้องมีใครบอกเริ่มมองเห็นจะมีความรักมากยอมรักตาของยอมสองข้างยอมรักไมยอมคนรักมากหนะถ้ามันจะเสียกันไปนี่ถือว่าเป็นความเสียหายมากไหมเชื่อไหมศีลสําคัญกว่าตาสองข้างแต่ตอนนี้ยอมบางคนยังมองไม่เห็น ถ้าวันใดได้เห็นขึ้นมายมมงคลจะห่วงศีนมากกว่าลู ก, กตาสองลูกแต่ตอนนี้มันยังไม่ชัดมันยังฝ้าฟางมีความเข้าใจอยู่แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งจะห่วงมากเพราะศีนสาคัญกว่าตาสองข้างศีนสาคัญกว่าหูสองข้างศีนสําคัญกว่าจมูกสําคัญศีนสําคัญกว่าปากศีนสําคัญกว่ากายและศีนสําคัญกว่าใจถามว่าสัมมาสัมโพธิญาณได้มาเพราะศีนใช่ไหม ถ้าศีไม่เต็มจะมีสธมมาสัมปวิยานไหมเห็นไหมฉะนั้นการบรรลุของภาษารีบุตรตุโมคารานาเป็นต้นเหล่าเนี้ยที่เป็นอัคราสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายเนี่ยท่านเหล่านั้นก็ได้มาพ้นสีใครก็แล้วแต่ที่จะแทงตลอดอริยสัจดับวัตถทุกเป็นต้นเหล่าเนี้ยท่านเหล่านั้นล้วนเป็นผู้มีสีไม่มีใครทุศีทุกคนเลยฉะนั้นปฏิปทาอย่างการที่จะพ้นทุกนั้นน่ะต้องมาได้จากการมีความรู้มีความเข้าใจในศี ไม่ใช่มาจากความไม่รู้ด้วยการที่เรายังไม่รู้เนี่ยมาไม่แปลกใหญจถ้าไปบอกว่าไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเราก็าจะน้อยใจใช่ไหมก็เราไปรับศีลตลอดเนี่ยนะถ้าอย่างที่บอกไงว่ามันไม่ชัดมันไม่สําคัญมันยังไม่เห็นความสําคัญว่าศีลสาคัญกว่าตายอย่างเนี้ยมาว่าใช่ไหมแต่ถ้ า, าว่าศึกษาไปมากๆขึ้นเนี่ยในเข้าในเข้าเนี่ยจะจะเข้าใจอย่างนั้นจริง ทีนี้ในกรณีที่ว่าเจตนาศีลเจตสิกศีลเป็นต้นดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยเป็นการงดเว้นอันเป็นการงดเว้นจากทุจริตไม่ว่าจะเป็นเจตนาที่เป็นศีลเจตสิกที่เป็นศีลสังวรที่เป็นศีลหรือความไม่กข้าร่วงที่เป็นอวิติกมาที่เป็นศีลเนี่ยถ้าสรุปตรงนี้ก่อนเนี่ยก็คือเป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นในใจเพื่อจะยังกายวาจาไม่ให้ทําบาป มีการฆ่าการละ ก, การประพุดผิดในการการพูดเท็จตินต้นและเพื่อจะยังจิตใจนั้นไม่ให้โลภไม่โกรธและมีปัญญาตตรงนี้แหละถ้าสรุปออกมาตรงนี้ก็คือว่าตัวกุลศลสีจะเป็นแบบนั้นแต่ต่อไปขยายประการแรกได้บอกว่าเจตนาเนี่ยเป็นสีดูลักษณะของเจตนาเจตสิกก่อนนธรรมชาติของเจตนาเจตสิกนี่ก็มีลักษณะยังไงแจกแจงไหม เขมีลักษณะอย่งการจัดแจงอาจจัดแจงอะไรถามว่าเจตนาเนี่ยเจตนาที่เป็นศีลในที่นี้ที่จะอธิบายอันมาจะไม่อธิบายอกุศลศีนนะแต่จะอธิบายตัวกุศลศีนเจตนานี่เป็นสังขาระขังเห็นไหมพอพูดถึงตัวเจตนาสีนเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วเพราะเจตนาตัวสภาวะธรรมเหล่านี้เป็นสภาวธรรมที่เกิดในใจเนี่ย เจตนาตัวนี้ทำกิจในการจัดแจงเขาจัดแจงอะไรถามว่าผัสสะเกิดร่วมกับเจตนาไหมเขาก็จัดแจงว่าผัสสะจัดแจงเวรนาจัดแจงสัญญาจัดแจงสังขารแล้วก็จัดแจงวิญญาณสภาวธรรมต่างๆที่เกิดร่วมกันเอาเธอดูในตัวกุศลจิตใช่ไหมเราเรียนกุศลมาแล้วใช่ ตัวกุศลจิตที่เกิดขึ้นน่ะกุศลจิตุบาที่เกิดขึ้นน่ะในนั้นมีเจตนาอยู่ทีนี้เจตนาเหล่านั้นทํากิจทํากิจในฐานะเป็นตัวจัแจงจัแจงอะไรจัดแจงภาษาให้ทํากิจในการกระทบอารมณ์จัแจงเวทน า, าให้ทํากิตในการสวยรสของอารมณ์จัแจงสัญญาให้ทํากิจในการจําอารมณ์จัแจงสังขารนี่ทากิจในการปรุงแต่งอารมณ์ไปในทางที่ดีคือความไม่โลภความไม่โกรธเป็นต้นและกัปัญญาเป็นต้น แล้วก็แจกแจงเกี่ยวในเรื่องของวิญญาณนทำรรกิจในการรู้อารมณ์ฉะนั้นสภาวธรรมต่างๆเหล่านี้ยึดติดเกิดร่วมกันกับเจตนานั้นเน่ะจกทำกิจต่างๆเหล่านั้นได้ก็ได้การอนุเคราะห์ด้วยการอนิจจ์อนุบูรณ์ของเจตนาเหล่านี้เรื่องเห็ยนเลยจะเนี่ยยากไหมยากหเอายกตัวอย่างเป็นเป็นเรื่องเวลาเป็นลาวดีกว่า ทีนี้ถ้ามีความตั้งใจว่าจะรักษาสีอันนี้ยกตัวอย่างก่อนเลยนะก่อนที่จะยกตัวอย่างที่เล็ก น, น้อยๆก่อนๆแล้วก็จะค่อยๆเดินไปเนี่ย น, นะอกรณีที่โยมสุภานะโงมีจิตคิดจะรักษาสีก็สมถไอเจตนาที่ตั้งใจว่าจะรักษาสีนะ่ะไอตัวเจตนามีใจของโยมมันก็จัดแจงจัแจงนามธรรมา ท, ทั้งหลายเหมือนชักชวนนามธรรมา ท, ทั้งหลายเอาศรัทธา ใช่ ห, ให้มีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณของพระเจ้าอาวิริยะให้ทำกิจในการประคับประคองกุศลให้มีความตั้งมัน่นปัสติให้ทำกิจในการที่จะระลึกในการที่จะตรวจสอบใช่ระลึกถึงกายที่ทำคำที่พูดจิตที่คิดในขณะนั้นและในหลังนั้นเป็นต้นแล้วก็จัดแจงสมาธิให้มีความตั้งมั่นไม่หวันหว่นไหว แ้วก็จัดแจงปัญญาเพื่อให้ทำกิจในการวิจัยว่าทำไมถึงรักษาศีลไอ้ตัวเจตนาก็าขึ้นมานักพอนําำมาทำเบสิตรนี้ก็เข้าใจว่าตัวศีลเป็นกุศลเจตนาที่เป็นกุศลเหล่าเนี้ยมันก็จะมีการเพราะเมล็ดพันธุ์โดยการที่จะให้ผลเจริญงอกงามต่อไปเพราะจัดแจงในลักษณะเนี้ยถามว่าศีลเกิดที่ใจ แล้วต่อมาก็มาจัดแจงกายวาจาให้มีความเรียบร้อยให้ตั้งมั่นได้ดีไม่เกลื่อนเกลนไม่กระจายกระจายเข้าใจคําว่าจัดแจงเนี่ยมันจัดแจงแบบนี้แล้วจริงๆมันเป็นแบบนี้ไหมในชื่อจริงเป็นไหมถ้าเป็นไปในลักษณะอย่างนี้แปลว่าเจตนานั้นมันออกมาเพ่นพ่านในการทำกิแล้ว